ฟังเฉพาะธรรมเทศนายนจิตสงสัยไปหน้ารานหลังจึงจะได้ควางชันคนเราเกิดขึ้นมามีกายมีวาญามีใจครบบริบูรณ์ทั้งสามอย่างเนี่ยดับปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ปฏิบัติกรรมฐานก็เอา พุทธศาสพุทธเจ้าของเราสอนให้คนเราปฏิบัตินี่แหละสามอย่างนี่แหละไม่นอกเนือจากสามอย่างนี้หรอกเพระพริษพิษก็นในสามอย่างนี่แหละเพระพริถูกในสามอย่างนี่คือกายตัวาาใจใจทั้งตึงเรื่องศีลเป็นเครื่องวัด ศิลนน่ะหยุดเป็นเครื่องวัดตั้งไว้ที่กายเลยก่อนลองงดเว้นจากฆ่าสัตว์กับ ก, กายเนี่ยเป็นคนฆ่ารักทรัพย์กับ ก, กา ย, า ย, กกายปเป็นคนรักพฤผิภิทม่ชัยจายกับกาเนี่ยไป็นผู้พิทฆ่าพู้หกฆวะจารพูดเทศพู้โกหกฆวาจารคนอื่นดื่มสุไรสุราเมีไรก็กายอันนี้แหละดื่ม ตั้งไว้อย่างนี้เลยกลารตั้งไว้ที่ตั้งไวยสามใหญ่ตั้งไว้ที่ชิ้นหานี่เป็นเครื่องวัดชิ้นหานี่ขาดจะบุกค้องกับตรงนั้นหละเห็นชัดได้ใจตัวตเองชิ้นสิบชิ้นแปดก็กายทีย่แหละ ชิ้นชิฟกับกายนี่แหละชิ้นสองร้อยนี่สิบเจ็ดยเคลื่อนวัดเอาตั้งอันนี้ไว้เสียก่อนตั้งอันนี้ให้มันคงแล้วจังค่อยดูมันชิ้น10ชิ้นส2 7 พวกคารวะรักษาชี่าเันน้อยนิดเดียวรักษาจิตแต่กันน้อยนิดเดียวจิตส่องร้งรอยยุคเกตตงมากมายตองอารงขั้วขังจะถือว่าจิน ส, อส่องร้อยยุคเกตต่างขาดประกบความเเลีกเขน้อยกว่าเป็นไงดอกมันมากเกินไปไม่ได้่ังท่านท่าอย่างนั้นก่อน้าก็ลด ฐาหนะเราเป็นฆราวาสเท่านั้นสิเน่ก็ลถฐาหนะออกมาเป็นฆราวาสเทานั้จะฆรานับถือตรงไหนครับเป็นพระเป็นเน่งดเว้นเส จ, จากการธรรมะอาเรียชีกพุทธจดจริดด้วยกาย สะมัดระวังสังวรโดยกายจึงรักษาให้มากขึ้นไปจึงเป็นที่เคารพนับถือของคารวะจะไปถือว่าคารวะสินน้อยและรักษาให้ดีถ้าดเปไม่ได้หรอกสิงสองร้อยเจ็ดเจ็ดขาดตั้งสิบตัวยี่สิบตัวมันกันอย่างมากคนคารวะ อย่างนั้นไม่ได้คนที่รักษาศีลต้องเห็นศีลขางตน บ, บุของตรงไหนเราต้องแก้ไขตรงนั้นเอาเอากายนี่แหละเป็นเครื่องวัดเห็นชัดด้ยตนเองทีเดียวไม่ต้องให้คนอื่นมาครับ ม้ต้องอื่นมาดูให้คนอื่นมาดูให้เมื่อรักษาสินครอบบริบูรณ์สมบูรณ์ในใจของตนแล้วก็ไม่มีมปฏิสัมเดียร้หอนใจมันก็สงบสันติรับถ้าสินไม่บริสุทธิ์ที่กายไม่บริสุทธิ์ มันก็เดือดรอด้อนอยู่รุนหมายตลอดเวลาชิ้นคอนนั้นก็พกความเ อ, อนาะนี่กพบทความมันก็ไม่บริสุทธิ์กิตมันจะรวมได้อย่างไรนี่อันนี้ที่สินทารักษาที่กายให้เป็นเครื่องวัดเครื่องวัดของสินสิ้นห้าสิ้นแปด ชนเจ็นสามารถเจ็กิดตามฐานะของตดในชินที่ตนรักษาในฐานะนัน้ น, นไม่กามารถถูกเุราอถ้าหากชิ้นห้าก็แปลว่าพารรักษาลิขาตไทบก็สมบูรณ์แล้วไม่สามารถที่จะสายสูงยิ่งขึ้นไปถึง ชิปจินสองอี้เจ็ดภูมิของคารวาสภูมิของเมนเหมือนกันตั้งแตชิ้นสิบไมู่มบูมรณบุรนะครไม่มีวิปจิตสารเดือดรอนในใจของผนใจก็สงบเือกหยิ่ง สินสอง้อยี่สิบเจ็ดระภิกษุรักษาสงวรในสินต่างๆสมบูรณ์บริบูรณ์ในทุกข้อแล้วมองดูสิ่งใดก็ไม่มีการเถือดร้อนวนไห ว, นวเห็นสินต้นสมบูรณ์ขอนั่งกับสมบูรณ์ข อ, น, น, ขอนี้กับสมบูรณ์บริบูรณ์ เต็มตื้อเป็นสมาธิอิ่มโอเคใจเข้ามาสมาธิกันแนวแน่นนี้ท่านวัดท่านเป็นเครื่องวัดไอ้ท่านตั้งเราเป็นเครื่องวัดอย่างนี้คราวนี้สมาธิเป็นเครื่องวัดของใจอันนั้นจิตเป็นเหตุให้เกิดสมาธิอันที่พูดมานะี่ย แต่สามาธิจริงๆจั ง, จ ง, จ ง, จงล้วไม่ได้กล่าวทังเรื่องจิงียนันรักษาจิตโดยเฉพาะไม่ให้จิตสงสัยเป็นหน้าไม่หลังไม่ให้คิดอดีตอนาคตคิดทั้งมันอยู่ในคิด ตั้งมั่นอยู่ในใจอันเดียวถ้าหากว่าจิตกังวลเกี่ยวข้องขวกวควันนั้นในตา่างๆอันนั้นไม่ใช่สมาธิแล้วเอาเป็นเครื่องวัดว่สมาธิคือจิตแนวแน่สมาธิคือจิตเป็นเอกภตาเรียกว่าสมาธิก็คิดปรุงคิดแต่งไว้ตา่าง ตรงสายไปทางต่าง้วนาอันนั้นไม่ใช่สมาธิเรามีจิตเรามีใจมีกายมีวามีกายมีวาจาเรียกว่าให้อยู่ในขอบเขตของสิ่งมีใจเรียกว่าอยู่ในขอบเขตของสมาธิไม่ตรงหน้าตรงหลังเรามีจิตมีใจ มีกายมีวัิมีใจรักษาไม่ได้ก็เหมือนกันกับรถลารถนั้นจะหากว่าเราขับรถไปในที่ต่างๆถ้าไม่มีเปรกเปรกมันก็ห้ามไม่อยู่ ี่ไปมันก็ชนผู้ชนคนชนจิงของต่งมันนั้นเปกข้ามาอยู่อันนี้เปรกใช่เลยหัดสมาธิภาวนาท่านเปกก็าาอยู่มันก็เป็นไม่เป็นภาวนาสมาธิคลายแล้วอยู่ที่นี่ใจเลย ไอ้แต่มันว่อนไปวุ่นว่อนไปกทุกแห่งทุกคนไม่เป็นสมาธิถ้าไม่เป็นสมาธิมันจะเกิดปัญญาได้ยางไงสมาธิมันตั้งแน่วแน่ในสิ่งเดียว เจ็บโฆษณาคุดโทรหรือสมาหลังหรือยกหนออของหนอหรือว่าพิาาาจาระาปาลตีอะไรก็ตามถึงอันนั้นเป็นเครื่องวดัดเป็นเครื่องวัดของสมาธิให้มันอยู่ในเรื่องนั้นถ้าไม่อยู่ก็แต่ว่าเครื่องวดัดเดินไม่ดีแล้วนั้น เตะไม่อยู่เลยเตกอยู่ก็คืออยู่ในอารมณ์นั่นแหละพอนาคุตโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียกนอยปองหนอยได้ก็ตามเถิงมันอยู่ในอะไรอย่างเงื่อนอยู่ในนั้น น, นั่นสีนนเรียกว่าเตกอยู่ทั้งเตะอยู่แล้วคร่ะนี้ เรียกว่าอยู่ในบังคับของเราได้จะอัดจะแปลงจะหัดจะเลี้ยวต้ า, ายเรียยวขวใดทั้งหมอย่าให้มันพาเราไปตกหลุมตกบอก่อจะไปชนผู้ชนคนเป็นอันตรายมากถ้าเปกมาอยู่ เกิดมาเป็นคนมีใจเด็ครับเียาใ ด, ไ, ดนะไม่มีอิสระในตัวให้ใจชักจูงไปต่างๆนานาะให้ใจส่งพาวุงวิ่ว่อนไปต่างๆนานาะเคิดอูสิี จทุกข์ร้องไห้ร้องโหยใครเจ็ร้องไห้ร้องโหยไม่มีใครอยากทุกข์จะจิตจะรืนทุกข์พาเป็นทุกข์ให้เศรเ้าโศกเสียใจอะไร อ, อาวรณ์ก็ใจจิตนเนี่ยพาไปอยู่ดีดไม่ไปไ ม, มมม ไ, ไม่เห็นมีเรื่องทุกข์เรื่องเุรองอะไรอาวรณไม่หมีทุกข์มันก็พา เราไปซุกมันพ า, าเราไปถึงอยู่ที่เฉยไปสุขมันทุกแต่มันก็ยุ่งหรือภายในนี่มันไม่หยุดสัก ท, ทีถ้าหากมันหยุดแล้วถ้าหากควบคุมมันอยู่ในกำลองตงนนต้นจะขับขี่ไปทางไหนก็ได้ จิตนั่นเป็นของมีอำนาจปาที่หาถ้าคุมได้สามารถที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวมีปัญญาฉลาดเฉียบแปลมตอนที่เจริญนิพพานใครๆก็อยากได้นักสสนิพพาน ใครๆก็อยากได้นักปฏินิหารใครๆ ก, ก็อยากได้นักฌานสมาธิทิพย์สูตรทิพย์ยักโสตหูทิพตาทิพสารพันทุกอย่างประตรวิชาทุขประการ ก, ก็อยากจะได้ก็คือแต่ว่าใจยังมาทันอยู่มาอยู่ดั่งน้าของเราให้มันพาไปไมันจะได้อย่างไหร มันทาแล้ววุ่นว่อนมันจะได้อย่างไงภัยมันก็เดียวไัยหมดสิอย่างเล่าอะไรฟังแล้วอ่ะมันภายทุกมันภายวุ่นวี่วุว่น ว, ว, ว, ว, ว, ว, วายพัยให้เดือดร้อนเรายังตามมันไปมันเข้าสุดเสีย ใ, ใจอะไรร้องไห้ร้องโหยก็ยังพามันพาเราไปไม่อยู่ในอำนาจของเรา มันพาเราไปถ้าอยู่ในอำนาจของเราได้ของนั้นเป็นใหญ่จะอยู่อำ น, นาจของเรายัางไงก็ได้จะไปยังไงก็ได้จะอยู่ไงก็ได้ไม่รู้เรื่องรู้ราวต่างแต่ต อ, นนาอาาําจันอาร์ตใสบุญมรมีของคนให้เหมือนกัน ปฏิบัติเพ่งนักเพ่งหนาใครก็ดีอยากไ ด, ได้ให้ชานสมาธิอยากจะให้ริษเตดีอยากได้ดไดพิญญาณถ้ามันได้ก็เลยท้อถอยเสียเน้อขีเกียจความยากเลยไหม มันเป็นเหตุในขี้เกียจถ้าไม่อะไรสมบูรณ์เลยขี้เกียจของอันี้ไม่ใช่เกิดจากความอยากความอยากเป็นโรคของโรคอันนี้ถอนความอยากนล้วมันจะค่อยเจรดญแต่มันยังมีอยากกมันจะได้ย่งไรมันก็ได้แต่โรคเนี่ยสิได้ความมุ่นไว้เนี่ยสิเดือดร้อนเนี่นสิ ปัญญามันเกิดจากความสงบตัางหากงาวขอให้ทําเถอะขอให้พี่เจ้าขอให้ทําให้เป็นสมาธิไปก่อนขอให้ทําความสงบให้เต็มที่ไปก่อนขับขี่คิบนะมันอยู่ในสมาธิขับขี่มันเน่แน่อยู่ในสมาธิไปก่อ น, นบังครั้งมันได้ จึงจะสำเร็จผลประโยชน์บางทีได้นิดที่นิดหน่อยก็ตนได้แล้วเลยหลือกะลิงเสียเลยประมาทเสียมีสมาธินิดนิดหน่อยนะพอเป็นวอดเป็นบาทเท่านั้นเลยเพราะว่าตนสมาธิใหญ่โตัวาฐานอย่างได้ฌานสมาธิสบายจะได้พิหารฝ่ายโน้น ความอยากนั้นไม่ใช่มาของของมันจะให้เกิดสมาธิได้ไงนความอยากนะมันนี้เรียกว่าจิกอยู่ในขอบเขตอยู่อำ น, นาจของให้สมาธิได่อยู่ในอำนาจของความสงบ อยู่ในอำนาจของจิตอยู่ในอำนาจของสมาธิท่นเรียกว่าอยู่ในอำนาจของสติควบคุมได้ถ้าควบคุมได้เราเรียกว่ามีสมาธิมีขอบเขตขั้นตอนอย่างนี้สินมีกายเป็นเครื่องวัดคืออยู่ให้อยู่กับกาย สมาธินั้นมีปริกรรมเป็นเครื่องอยู่ส่วนปัญญานั้นสมาธิอยู่แน่วแน่แล้วยังค่อยเกิดความรู้ความฉลดส่วนนักิญญาส่วนปัญญาอภิญญษณะนั้นมีภรยไกรักเป็นเป็นเครื่องไว้ใถ้อยู่ในขอบเขตของไรกรลักษณ์นั้นได้อัิษณะ ถ้าหาว่าไม่ออกนอกจากวิปัสสนาอกนอกจากไตรลักษณ์แล้วไม่ใช่วิปัสนาเป็นปัญญาที่เฉยปัญญาวิปัสนากับปัญญาที่เฉยนต่างถ้าหาจากปัญญาที่เฉยพิจารณารู้เท่ารู้เรื่องขึ้นมาทุกเสียงทุกอย่างชัดเจนอย่างแจ่มถ้าปัญญาวิปัสนาเนี่ยมันของเป็นอีก เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเฉพาะในใจอะไรทั้งหมดมารวมแห่งเดียวความรู้ก้วงขวางพิสดารแต่ก็มารวมแห่งเดียวในที่เดียวหมดสงสัยหมดกังวลเกี่ยวของหมดห่วงใหญ่ความชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นในที่นั้นอันนั้นไม่ใช่ของง่ายๆ ปฏิบัตินา น, านเท่ไงเกิดมันของเป็นเองเหรอกนะมีหาอธิบายให้ฟังการก็เพียนแค่นี้แหละอธิบายให้ฟังอย่าไปยึดเอาคำพูดนั้นเราปฏิบัติอย่างไรแล้วต้องปฏิบัติอย่าง นี่ยไปยึดคำพูดของท่านมาเป็นอารมณ์ฮปฏิบัติเป็นไปแล้วนะมันรวมลงไปแล้วมันเป็นสมาธิไปแล้วมันหากมันโกงกันเองแอบที่อธิบายให้ฟังประโยชน์สินอยู่ที่กายเอาที่กายเป็นเครื่องวัดมันปัดเองเอ่ะมันมีสินบริบูรณ์แล้ว ชิ้มีในตัวพุทธิภนะูน่ะไม่ต้องไปยึดเอากับพูดนะั้นมาดูที่กายเนะี่ยมันดูที่ใจของเราแบบที่กายของเราเนี่ยมันทั้งสอปวงโยนวัดสิ่งทุกอย่างสมาธิก็เหมือนกัน เ, าเราพาวนาไม่ใช่จะไปยึดเอาคำปฏิกิรมยา น, นั้นน้ำภาวนาจริงๆจนะังมันไม่ทึ้ไม่ยึดถือหรอกปฏิกิรมันเที่ยงวัดมันจังค่อยเป็นภาวานา อันนเราความพิกรรมนั่นอยู่ก็ไม่เป็นภาวนาส่วนปัญญาก็เหมือนครับมันลงแนวแน่เต็มที่แล้วมันหายหมดศีลสมาธิไม่มีหรอกมันเป็นมันรู้แจ้งเห็นจริงในใจของตัวแต่มันชัดในใจของตัวหายรู้ใสมด ทั้งวนเขียวคลองทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์นองพวงไม่มีลงไตรลักษ์มันั่งหลงเองมันมันพอดีของมันมันหลงเองของมันหรอกเดี๋ไปแต่งให้มันพอดีก็ะให้มันลงไตรลักรับมันไม่ลงเด็ดขาดลงก็ตามทังยายเฉยอันนี้แกงทุกครั้งในตา เวลาหาย่างนี้จังทุกขังหน้าตาเท่าเก่ามาเนี่ยเหมือนกันมันนิจจังนะมันเป็นตาเป็นอตาทุกขังก็เป็นทุกขังเป็นทุกขังหมดมันลงมาของเก่ามันถอนเอาของเก่านี่แหละมันได้เป็นจริงเพอจะนั่งยังไง่าไปยึดคาพูด เราเคยปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติไปอย่างไรไม่อยากเป็นมันจะเป็นเรือ่องมันาเป็นไม่อยา ก, ม, า ก, ยากมันไม่ได้ท่นอยากเรามันไม่ได้ความข้อนั้นเห็นด้วยตนเองยังเคยรู้ได้มันเป็นด้วยตนเองยังเคยรู้ได้เราตั้งใจปฏิบัติลองดู